ตรัดหมายถึงมูดที่ชื่อว่าอย่างเยื่อตรัดหมายถึงขยะมูลฝอยที่ชื่อว่าของเป็นเดนตรัดหมายถึงอาวุธ ท, ที่เป็นเดนกระดูกเป็นเดนหรือน้ำเป็นเดนที่ชื่อว่าของเขียวได้แก่บุพคลชาติอภรณชาติที่เขาปลูกไว้สําหรับอุปโภคบริโภคคําว่าเทคือเทเองต้องอบัดปาจิตีคําว่าใช้ให้เทคือใช้ผู้อื่นให้เทต้องอบัดทุกกฎ ผู้รับคำสั่งครั้งเดียวแต่เทหลายครั้งพิกิีผู้สั่งต้องบับัดป่าจิตตี